พวกเราอยากกินเข้าวเนียวทอดดำทุกัหมไม่ทุกอย่างเดียวไปหาื่อเห็นเดือดร้อนเลยเวลามีความอยากอะไรเกิดขึ้นนะเราสนองได้อย่างรวดเร็วเราไม่เคยเห็นทุกเห็นโทษว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วความทุกเกิดขึ้นส่วนพระหรือนักบวชเนะี่ยตัว ง, ง่ายอยากกินหรือไม่ได้กินออกอยากจะทำอย่างน้อนอยากจะทำนี้มีแต่ข้อห้ามเต็มไปหมดเลย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 ใจอย่ารู้สึกว่าต่อไปนี้ไม่เจออีกแล้วอยากกินอย่างนี้ไม่ได้กินล้อะไรอย่างเงี้ยนะชอบกินหูฉลามต่อไปนี้ไม่มีแล้วใจไหมไม่ง่ายนะบวชนะ่ะไม่ยากหรอกมีผ้าไตรมีบาทขันนาคเป็นก็บวชได้นะแต่บวชแล้วอยู่ยากนะต้องต่อสู้จริง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 พอดีผมโชคดีที่มีเพื่อนที่ได้ชี้ทางให้พบพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็2เดือนที่ผ่านมานี้ก็ได้ทดลองปฏิบัติแล้วก็แรกๆเนี่ยกุดกิดมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เดินใช้วิธีเดินโปกติจะออกกําลังอยู่แล้วก็เดินแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ได้ฟังจิตหลงพ่อนะครับแล้วก็มันมีความรู้สึก